ถึงเมนูแกงไทยสุดฮิตก็ต้องแกงเขียวหวานค่ะวันนี้หยกหลานขอสเสนอฟูซิลลี่เขียวหวานไก่สไตล์ใต้ค่ะแต่ความพิเศษคือหยกใช้นมค้นจืดคารนชั่นแทนน้ำกะทิเพิ่มความหอมมันนวลนวนกว่าเดิม